สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์081 9์แปดหต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติมะอาอูดุบิลลาฮิมินัชัยตอนราจีมบิสมิลลาฮิลรอห์มานรรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับนอลอาลมินุล ص ลา ة و السلام على الشرف وعلى َ آله وصحبه َِ ومن َ تبعهم بأسان ٍ إلى يوم الدين رب ش ر ح ْ لصدري ويسر أمري وحل أ ق د ً من لسان يفقه ُ قولي اللهم لا سهل إلا ما جعنته سهلة وأن تجعل ح ه ز ن ا إذا شئت سهلة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكفّر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ر รับ ب نا لَا تُزِدْقُلُوبَنَا هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْ إِنَّكَ بَعْدَ إِذْ كَرَحْمَةِ ا ب ตุซ ah an ah, um ิคุลบนาบาดั ل ดห ل ายตนาว و บลนามิ ا ล ل ดุน ا รหมะอินนะค ا นตนว و บรดีต ن บิลลาฮิรบบะวบ ل ลอิลล و มิดีน ا วบ ا ม ا ฮัม์ด ا ل ซัลลั ن و ا ฮิว ل ลีฮิว ل ซ شرك ัล์มะ ر บียัลลัฮ์ัมัลลัฮ ล s a ah uh. s a l a ล u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกรองลอสุบะฮานนะฮัวตาลาได้โปรโดประสบกับท่านพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับในส่วนของรายการตับซีลอันกุรอานนะครับทางเสียงอิสลามนะครับทางเสียงสันติแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของมุสลิมไทยออนแอร์ตลอดจนทางเพจทางแฟนเพจของ วิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องติดตามดูทางไหนนะครับพี่น้องแจ้งผลของการรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้พบเจอกับพี่น้องหลากหลายสถานที่นะครับที่ในงานของกลุ่มเขตต่างๆเนี่ยพี่น้องก็จะทักทายกันเข้ามานะครับพี่น้องบางท่านก็บอกว่านะครับได้ฟังได้ติดตามอยู่ตลอดนะครับได้ยินเสียงอยู่ตลอดนะครับอัลฮัมดุลิลละนะมีอะไรที่จะให้ปรับปรุง แล้วก็แก้ไขพี่น้องก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาบอกกับทีมงานก็ได้นะครับหรือว่าเจอกับผมโดยตรงพี่น้องก็สามารถที่จะนาศัยหัดกันได้นะครับยินดีนะครับยินดีแล้วก็น้อมรับนะทุกคำติชมของท่านพี่น้องนะครับโดยสดุดีเพราะว่าเรานะครับผมเองเนี่ยแหละครับ แน่นอนแหละพี่น้องเวลาที่อาจจะพูดไปหรือทําอะไรไปเนี่ยอาจจะพี่น้องฟังไปแล้วมันอาจจะทําแม่นทำแม่นหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นประการใดพี่น้องก็สามารถที่จะตักเตือนกันได้นะครับวันนี้รายการตับซนุรุนกุรานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสุรอัติริก นะครับซึ่งเป็นสุรร์นะครับที่เราพูดคุยกันมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสุรร์ตอริกนะครับสุรร์ที่86แห่งอัลกุรอานของอลัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลาแล้วก็เป็นสุรร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านอบีมุฮัมมัดส ล, ลาห์อะเลวะสลัมจะอพยพนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในส่วนขององค์การต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับในส่วนขององค์การที่หก องค์การที่7นะครับองค์การที่8นะวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันนะครับในส่วนขององค์การที่9 ว่าจะมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรนะครับพี่น้องท่านใดที่มีอัลกุรานอยู่ในมือพี่น้องครับเปิดไปได้เลยนะครับอัลกุรานแปลไทยหรือจะเป็นอัลกุรานที่พี่น้องอ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยเปิดไปในสุรอั ต, ตอริกแล้วก็เปิดไปในส่วนขององค์การที่9้านะครับอัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺหัวตละลากล่าวกับเราไว้อย่างไรเราไปฟังกันนะครับอ้าุซุบิลละฮิมนินะเชตอเนโรจิมเยอมาตุเบลัสซาร อ, อ เยาว์มาตุบะลาสซารอิรนะครับเยาว์มาตุบะลาสซารอิรนะครับเยามาดอรฟุซามานนะครับเป็นคําที่บ่งบอกให้รู้ถึงห่วงระยะเวลานะครับแล้วก็อ่านว่าเยาว์มาไม่อ่านว่ามูไม่อ่านว่ามี่นะครับอ่านว่าเยนะาวมา ma, เพราะมันเป็นดอรฟุซามานนะครับจะอ่านเป็นสลัฟัตฮะเสมอไปนะตุบะลาตุบะลานะครับเป็นคํากิริยานะครับ คำกิริยาเป็นคำกิริยาในปัจจุบันการมับนิลินมาจหูนะครับมาจากคำว่าบาลายบลีนะครับหรือว่าตุบบลานะครับตรงนี้แปลว่าอะไรพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายกันนะครับตุบบลาตรงนี้นะครับอัลลอฮสุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวเย้ามา ตบละ ส, สระนะครับมีคาว่าอัสรอีกนะครับเป็นคาเชื่อมต่อกันไปนะครับเป็นอิสมามรฟอนอัสร์ อ, อิรุรอนะครับอ่านยาวนะอ่านยาวเป็นมัดวาญิบมุ ต, ตสินอ่านยาวหกขรกัตนะครับเยามาตูบและอัรอิรนะครับตรงนี้อัลลอุบฮนะฮออลบอกว่ายังไงวันเยามาแปลว่าวันตุบลานะครับตูบลาตรงนี้อัลลุบะฮตะลบอกวาอ่าถูกซ่อนนะครับอขอมาฟครับ ถูกเปิดเผยคําว่าตุบเบลลานะครับตรงนี้แปลว่าถูกเปิดเผยส่วนคําว่าอัสรอะนะครับซารออิษนะครับซารอิษนี่ก็หมายถึงเซรุนเซรุนซารอิรุนเนี่ยหมายถึงปิดนะเร้นลับนะหมายถึงอะไรประโยคนี้ทั้งประโยคอัลลอฮุซุบะฮานะฮุวาตัลลับอกว่ายังไงวันที่สิ่งเร้นลับต่างๆจะถูกทําให้ประจักษ์หรือถูกเปิดเผยออกมานั่นเอง อะไรล่ะครับสิ่งลึกลับต่างๆมากมายนะครับตรงนี้พอเราไปดูในคําอธิบายของนักวิชาการนะครับที่อธิบายเอาไว้ในอายะห์นี้โามาตุบาลัสซารอิรอายุโยมันกียามตินะครับนักวิชาการโดยเฉพาะท่านอิมเนกาธิรอฮิมะฮุลล์บอกว่าก็คือวันกียามันนั่นเองนะตาบลานะครับตาบลายุบบลีนะครับ ตา บ, บลาฟีฮิอัสรออิก็คืออัลลอฮฺสุบันตะลาจะให้สิ่งต่างๆที่เป็นความลึกลับให้มันถูกเปิดปปงออกมาเปิดเผยออกมานะครับในวันนั้นวันเกียยมาอายุตัธรุวตาบดูนะครับก็คือให้มันปรากฏให้มันเด่นชัดให้มันเปิดเผยออกมาวายบาคัสวายบาคัสเซรุ อ้ลแล่นียตันและอัลลอฮฺซุมาตลานั้นจะเปิดเผยมันออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นะครับสิ่งเร้นลับทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดอะไรก็ตามอัลลอฮฺะจะเปิดเผยมันออกมาและทําให้มันนั้นนะนะครับเห็นกันนะครับโดยทั่วหน้าทั่วตา <นะ S 1> วันมักนูนุนมาชูรอสิ่งที่ถูกปิดบังก็จะเป็นที่รู้กันนะครับวกอดาซาบะตาฟิซซาฮีไนนี่นะแล้วก็ สุบฮานัวตาลาก็ได้นะครับนักวิชาการนะครับนักวิชาการมูฟัซซิลินก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอย่างไครับมีการยืนยันจากสะเฮะทั้งสองของท่านอิหมามอันบุคฮรีแล้วก็อิหมามมุสลิมเป็นการรายงานจากท่านอับดุลลาอิมเนออุมารบอกว่าอย่างไงอันเราสุลลลอฮิสุลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านราสุลสุลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ยุรฟะอุลกุลกดรลวอุอินดาอินดาอ อิสอ uh, ินดัสติฮ uh ีุควาลูฮาตีฮีกาดะรัตุกาดะรัตุฟุลานิบเนฟุลานินนะครับในวันนั้นอั ana, ลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลตะลาก็จะให้บังเกิดสิ่งต่างๆนะครับที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้จะถูกทําให้เกิดนะบังเกิดออกมาแล้วก็จะทําให้เห็นเป็นเด่นชัดแล้วก็ต่างคนก็ต่างจะรู้นะครับจะทราบดีว่าคนนั้นนะคนนั้นนะคนนี้ น, น, นนะ เป็นอย่างไรนะครับได้รับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปดูคำหนึ่งที่นะครับอัลลอสุบหฮานะฮูอัตตาลาได้กล่าวเอาไว้ในประโยคนี้นะครับที่อัลลอสุบบะฮานตะลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับยามาตุบเลสารอเอิยรนะครับแปลว่าอายุยามุตัฮารุ ซารออิรุนนาสก็คือมนุษย์จะได้เห็นสิ่งที่ถูกปิดบังสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้จะถูกเปิดเผยให้กับบรรดามวลมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยในวันกิยามาสที่จ ะ, ะที่เขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา นะครับฟะตับัยยานุมาแคนุยกเฝวนะมินไครรินวชรินไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามจะถูกแจกแจงถแถลงถาลายถูกเปิดเผยออกมานะครับจากสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นเอาไวา้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งดีหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายก็ตามนะครับวายูจาวาเาว์วายูจาวาเซวนะอัลมาจะสติปุูนะ ยัตยาฮิกูนฮูมินเซาบินวไอกาบินนะครับแล้วก็มันจะดําเนินต่อเนื่องต่อมันจะดําเนินกิจการต่อต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าจะได้รับการเปิดเผยได้รับการตอบแทนสําหรับบุคคลที่เหมาะสมนะครับการที่จะได้รับผลบุญหรือว่าจะได้รับโทษทันก็ตามนะครับตรงนี้ครับท่านอิบเนจาริดอัตตบารีก็ได้อธิบายเอาไว้ในนะครับ น่ะ nah. ในของท่านตับดุสิของท่านอิบนุลกัยยิมก็ได้อธิบายเอาไว้ท่านอิบเนกาเซดรรอหิมมหุลลก็ได้อธิบายเอาไว้อิมามอัซซาดีก็เช่นเดียวกันนะครับอธิบายเอาไว้ถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะมนุษย์จะได้เห็นมนุษย์จะได้รู้จะได้รับทราบสิ่งต่างๆที่ถูกปิดบังและซ่อนเร้นเอาไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อลักษมบานะหัวตาลาสัญญาเอาไว้นะครับ เ, เช่นเดียวกันนะครับใน อยายะน์กุรานอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตละกล่าวเอาไว้ในซุรอห์ยูนุสซึ่งนักวิชาการนะครับหยิบยกอยายะน์กุรานในซุรอห์ยูนุสมาอธิบายนะครับมาอธิบายในซุระห์อตตอริกที่เรากําลังพูดคุยอยู่เนี่ยนะครับนะอธิบายนะครับเอาซุระห์องค์การของซุรอห์ยูนุสนะครับในส่วนเนี้ยมาอธิบายนะครับซึ่งการอธิบายตรงนี้นี่เองนะครับ นักวิชาการก็ได้หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับบอกว่ายังไงล่ะนะบอกว่าอัลลอฮ์สุบบฮานะฮัวตละลากล่าวเอาไว้นะครับในสุรยูนุสองค์การที่สามสนะครับในสุรยูนุสองค์การที่30นะครับรอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้แบบนี้ไปดูกันนะครับอัลลอฮ์สุบบฮานะฮัวตละลากล่าวเอาไว้นะครับในสุรยูนุสนะครับ นะครับไปดูกันนะฮูนาลิกะฮูนาลิกะตาบาลูกุลูนับสิมมามาอัสลฟัตนะแปลว่าอะไรพี่น้องครับฮูนาลิกะแปลว่าขณะนั้นนะครับณเวลานั้นณขณะนั้นนะฮูนาลิกะตาบาลูกุลลูนับสินนะมนุษย์นะครับทุกชีวิตจะถูกอะไรพี่น้องครับ ตา บ, บลูกุลลูนับสินมาอัสลฟัดเขาจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่เขาได้อะไรอัสลฟัตปฏิบัติเอาไว้ก่อนทำเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเอาไว้สิ่งที่เขาได้เคยทำอะไรเอาไว้ปฏิบัติอะไรเอาไว้อัลลอฮุซุบะฮานะฮวตลลก็จะนำพวกเขามาสอบสวนนะครับนำพวกเขามาสอบสวนนะแล้วก็อะไรครับ ในในวักต่อไปอัลลอ์สุบบฮานะฮัวตาลาบอกเลยนะครับวรุดดูอิลลอฮิเมาลาฮุ ม, ลมุลฮักและพวกเขาจะถูกนำกลับไปยังอัลลอ์สุบหฮานะฮัวตาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงของพวกเขา นะครับเมาลาฮมูลฮักแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงของพวกเขานะครับกลับไปยังอัลลอฮฺวัดลลันฮุมมาแกนุยฟตารูนแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ทำการอุบปลกมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรยฟตารูนนี้ห่างออกไปจากพวกเขาทั้งหลายดังนั้นตรงนี้เป็นการบอกกล่าวให้รู้ถึงความเจ็บแสบนะครับที่มนุษย์เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรครับผิดพลาดในการนะความเชื่อในการดำเนินชีวิตอย่างใหญ่หลวงนะครับอัลลอฮซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้เรารู้นะครับว่าพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีมนุษย์คนใดหรือสิ่งใดก็ตามที่เขา ได้อะไรได้เชื่อและศรัทธานะครับได้อาไปสักการะไปบูชานะครับไปทำทุกสิ่งมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมันพอถึงวันนั้นจริงๆอัลลซุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าพวกมันเหล่านั้นก็เขาเรียกว่านะ เ no nice บินหน้าหนีนะครับหนีห่างออกจากคนที่ไปให้การสุหกนะครับกับบรรดาเบอร์ฮาลอต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตะลากล่าวเอาไว้นะครับในสุร์อัลอาดียัตองค์การที่9องค์การที่10บอกว่าอย่างไงพี่น้องครับนักวิชาการก็หยิบยกในสุร์อัลอาดียัตนะครับมาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ายังไงพี่น้องครับ นะครับองค์การที่9องค์การที่10นะครับในซูรอนอาดิยัตเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่น้องครับท่านใดที่ติดตามนะครับในส่วนของตับซิดอันกูรอ่านนี่พี่น้องครับอยากจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะว่ารายการนะครับในส่วนของตับซิดอันกูรอาาร่านเนี่ยอยู่คู่กับ วิทยุเสียงอิสลามมาอย่างยาวนานเนี่ยอยากจะให้พี่น้องนะร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนกันนะครับเพราะถ้าอพี่น้องไม่ให้การสนับสนุนแล้วใายนะครับเราก็คงจะไม่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ได้รับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่มาจากอันกุรอานที่มาจากสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุสัล ล, ลัมดังนั้นนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องนะร่วมด้วยนะครับมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะรักษา ให้เสียงอิสลามหรือว่าเสียงสันตินั้นได้อยู่กับสังคมมุสลิมต่อไปนะครับ <c oughs> พี่น้องครับในสุราอัลอาดิยตนะครับซึ่งเาลาสุบะหางตะลาหยิบยกมาแล้วก็นักวิชาการนะครับหยิบยกมาเพื่อที่จะอธิบายนะครับในสุราอัลอาดียัตบอกว่ายังไงครับอัฟลายาลลัมอิดาบุ อ, อบธิรอมาฟิลกบูร นะอาฟะลายะอัลลัมุิดาบะอธิรมาฟิลกูบูรในสูรย์อาดียะตรงนี้พี่น้องครับเราอ่านกันอยู่เป็นประจำเลยนะครับอ่านกันอยู่เป็นประจำอ่านกันอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับาบางคนนี่อ่านทุกๆวรรคตัวเลยม้ง น, นะครับ อันทุกๆวัตถุเลยนะครับอัฟาล่ยาอัลลมุอิดะบุอัซิร่มาฟิลกบูบูรนักนก็จะการยิบยกอายะน์อัลกุรอานในสุระอ า, าดียัดเนี่ยมาอธิบายในสุระตอริกบอกว่าอย่างไรอฟัฟาล่นะพวกเขามิได้รู้ดอกหรือนะอฟัฟาล่เป็นอิสติฟามนะครับอ่าพวกเขาไม่รู้หรอกหรือว่าอิดนาะบุอัิร่มาฟิลกบูบูรเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยได้ถูกพลิกฟื้นขึ้นมาถูกทําให้ฟื้นขึ้นมา นะวะฮุซ ah ีลามะฟิสูดูรและสิ่งที่อยู่ในหัว อ, อกของเขาสิ่งที่ปิดบังอยู่ในหัว อ, อกของเขานั้นได้ถูกเปิดเผยออกมานะนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับมันจะถูกเปิดเผยออกมาในวันนั้นวันไหนแหะครับวันที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลาได้สัญญาเอาไวา้ก็คือวันกิยามะเยามาตุบะลาสารอเอต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลึนลับมันจะถูกเปิดเผยและทําให้เป็นประจักษ์ดังนั้นทั้งอายันกุรานในสุรยูนสุสและสุรอาดียัสนักกุจาการหยิบยกมาอธิบายนะครับในส่วนของนะครับในส่วนของสุรอัตตอริกนะครับคราวนี้เราไปดูนะครับในองค์การต่อไปในองค์การต่อไปของสุรอัตตอริกก็คือนะครับเมื่อเราอ่านไปแล้วในเยอมาตุบบาลสาระอิศเนี่ยเราก็ไปองค์การที่10บนะครับ فما له من قوته ولا نصر فما له من ق و ه ولا نصر ف ا ะครับฟ่าตรงนี้ก็ฟาฟนิน นะครับแล้วก็มานะครับฮามานี่ก็เป็นฮารฟูนัฟยินนะครับแล้วฮูยัวมจรูตมินนะครับเป็นฮารฟูจัรินนะครับกูวตินเป็นอิสมุนมะจรุตอ่านเป็นสาลาอินนะครับวาลาวาวอาวก็เป็นวาวอาติฟะนะครับแล้วก็ลาก็เป็นฮาร์ฟูนัฟยินนะครับนาซิรินนาซีรินเป็นอิสมุนมะจรูตประโยคนี้ครับอัลลอฮฺสุบฮานาะฮฺตะละกล่าวเอาไว้เนี่ยฟามาลาฮูมิกูวติว ฟ้ามาเลห์มิ่ง قوة และนาซิรนะครับนะอายุฟามาลินอินซานุยมันลี้ยามติมิ่ง قوة ยัดเดฟ้าบิบะอ ا ดับَัลลาหีลานาซิร์นะครับเَห์ยันซิรุห์และยุนกิดุ นะครับตรงประโยคนี้ครับนักวิชาการที่อ ธ, ธิบายนะครับท่านอิบเนจาริดอัตบรีนะครับแล้วก็ในเตับซิดของอิบอัตกุรตูบีแล้วก็อิบนิกาซิดอิบอัตสะดีนะครับแล้วก็ในตัปซิดอิบนนอาชูรนะแล้วก็ในเตปซิดของอิบเนอไซมีนนะครับยุสอัลมา นะแล้วก็ท่านอิบนุกะยิมก็เช่นเดียวกันอธิบายเอาไว้เหมือนกันนะครับในประโยคนี้ไม่แตกต่างกันเท่าไห ร, นร่นะครับซึ่งนะครับในอายันกุรานอง์การนี้ที่อลัลลอฮซุบฮานะฮฺวาตาลาบอกว่าฟามาละหูนะครับอายูอินซานูยอมกิยามะพูดถึงมนุษย์พูดถึงมนุษย์นั่นเองพูดถึงผู้คนพูดถึงมนุษย์นะครับดังนั้นเขานะมาละหูดังนั้นเขานั้นจะ มินโกวตินจะไม่มีพลังใดๆวลานาซิรินจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนะครับนี่คือคำอธิบายของท่านอิมนิกาซิตนะครับว่ากอลูหูตาอาลาฟามาลูหูอายุลอินซาหนุยอมันกิยามะพูดถึงมนุษย์ในวันกยามะมินโกวัตินไอ้ ฟีนับซีฮีพูดถึงตัวของมนุษย์นี่แหละว่านั้นในวันกยามาเนี่ยมนุษย์ในตัวของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเวลานาซีลินก็คือมินไอมินคริจินมินฮูไม่มีใครทําให้เขาออกมาได้เวลายักดิรุอาลาไอยุลกิดะนับซูฮูมินอาดาบินลาฮี นะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือให้เขานั้นรอดพ้นจากการโดนลงโทษของอัลลอสซุบหฮานะฮวะตาลาได้เวลายะสตีอูละหูอาหัดุนดาลิกแล้วก็ไม่มีใครมีความสามารถในการที่จะมาช่วยเหลือและสนับสนุนเขาได้เลยนะครับนะแล้วก็อัลลอฮซุบหฮานะฮวะตาลาก็ได้กล่าวตรงนี้นะครับบอกว่าลายะกดิรุอัลลาอนะครับยุนกีซะนับซ่าวูมินอาดะบิลละเวลายะสตีอูละหูอาหัดุนาลิก นะครับนี่คือคําอธิบายที่นักกุชาการได้อธิบายนะครับต่อเนื่องกันมาและตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็หยิบยกนะครับในซุรอสซาฟฟัตนะครับท่านอิหมัดอตัตบารีนะครับก็ได้หยิบยกในซุรอสซาฟฟัตนะครับซุรอสซาฟฟัตก็เป็นอีกหนึ่งซุรอสที่อยู่ในอันกรานที่นักกุชาการหยิบยกมาแล้วก็อธิบายถึงเรื่องราวต่างๆ นะครับในสุรอัตตลิกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้นะครับว่านักกุจาการทำไมถึงหยิบยกอายะอันกุรันในสุรัสฟฟาตมาให้นะครับให้กับพวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษากันในองค์การที่24นะครับ25 26ในสุรัสโฟาตนะครับเอาไปดูกันนะครับอัลลอฮุซุบฮาณหัวตะละกลาบเอาไว้นะครับ ว่าวกิฟูฮุมอินนะฮุมมัสอูลูนและจงยับยั้งพวกเขาไว้และพวกเขาจะต้องถูกสอบสวนนะครับในสุร์นะในสร์ซอฟฟาสนะครับแล้วก็ในองค์การที่25ครับมาและกลุมละตานาสอรูรนจะมีเสียงถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงไม่ช่วยเหลือกันและกัน นะครับแล้วก็ในองค์การที่26บครับเบลฮูมุลยอแมมุสตัสลีมูนแต่ทว่าพวกเขาในวันนั้นเป็นผู้ที่ยอมจำนนโดยสิ้นเชิง3องค์การนี้เป็นองค์การที่นักวิชาการหยิบยกมาอธิบายนะครับว่าในวันนั้นจะมีผู้ที่ถามเขานะครับพวกเขาจะถูกถามยืนนิ่งงงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็จะถูกถามว่า ไปไหนกันหมดล่ะไม่มีคนที่จะมาช่วยเหลือรหรือว่าอยอมจำนวนกันหมดแล้วนะครับในสุรฟฟ่าอัซอฟาตองค์การที่ 24, 25และ26นะครับแล้วก็ในสุร่าอีกสุร่าหนึ่งนะครับเยามาลาตัมลิกุนับซุลลินับซินชชยอันวัลอํรุยยวมาิดิลลลาในสุร่าอินฟิตาร องค์การที่สนะิบก้านักอุตสากรรหยิบจกไอันกรันองค์การนี่มาอธิบายซึ่งกันและกันวันที่จะไม่มีใครนะครับวันที่จะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันที่นกะิจาการทั้งหมดการงานทั้งหมดณนะวันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮฺสุบฮานาะฮูอัตตาละแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมีอำนาจอีกแล้วไม่มีใครที่จะมาให้การช่วยเหลือใครได้อีกต่อไปดังนั้นพี่น้องครับนี่แหลนะคือสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้องว่า นะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันกิยามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกปิดบังเอาไวา้มันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้และอลรตาลาก็กล่าวนะเป็นทํานองเหมือนกับเป็นการเย้ยหยันกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อนไหนล่ะ ผู้ที่ช่วยเหลือใครล่ะที่มีอำนาจแล้วก็ผู้ใดล่ะที่จะมาทำให้เจ้าหลุดพ้นจากการโดนลงโทษของอัลลอสซุบหฮานะฮุวาตาลาในวันนั้นได้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในส่วนขององค์การที่ นะครับฟามาลูหูเมนกูวะจิวลานาเซตดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เลยนะครับถ้าวันนี้เราไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามคําบัญชาช้ายของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮฺวะตาลาครับหมดเวลาลงแล้วครับในครั้งหน้าเราก็จะมาพูดคุยในองค์การที่11กันต่อเนื่องไปนะครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวันลอหัวลียุตโตฟิกวันฮีดายะวัสลามอฮ์เลกุมบะละห์